ถ้ามีบุญสมมติถาปฏิสนธิด้วยติเหตุกะเป็นต้นไม่มีเครื่องกางกั้นด้านอื่นๆชาตินี้ก็บรรลุได้ก็เป็นประเภทนัยะบุคคลแต่ถ้าไม่บรรลุนะอนุปัสนาเหล่านี้จะนําเกิดเป็นติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะพันะถ้าไปเกิดในที่ดีเนี่ยพอเกิดปั๊บในรายบางรายนะพอปฏิสนธิบรรลุเลยเหมือนกับเหมือนคล้ายๆนะอันนี้คล้า ย, ค ล, ายคล้ายกับว่ารอติเหตุกะปฏิสนธิก่อน ให้ได้ไปมีปัญญานําเกิดก่อนนะไอ้อัธยาศัยที่สะสมไว้ดีอ่ะพอไปถึงชาตินั้นบรรลุเลยนั้นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีหรือศึกษาคําสอนฟังคําสอนเจริญมาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะเขบอกว่าเขมีเงื่อนไขว่าจะบรรลุในปฐมวัยเช่นนะาสามารถ บ, บรรลุตั้งแต่เด็กๆก็ได้บางท่านก็จะบรรลุในมัมชิมาวัยบางท่านก็บรรลุในปัมฉิมาวัย บ, บ, บางท่านก็บอกบรรลุ ก, ก่อนตาย กนตายก็เจริญและบรรลุได้กับอีกบางท่านเนี่ยตายแล้วไปเกิดพอปฏิสนธิปั๊บเนี่ยบรรลุเลยหลังจากปฏิสนธินะเจริญและบรรลุเลยเพราะอัธยาศัยก่อนหน้านี้เจริญไว้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็กับอีกบางท่านเนี่ยนะก็ไปเพลิดเพลินมีคนแสดงธรรมปั๊บเนี่ยแสดงธรรมส่ง่าประกาศอริยสัจ ท, ที่ใดนะบรรลุเลยขอให้มีผู้ใดประกาศอริยสัจเถอะพร้อมที่จะบรรลุอยู่แล้ว แล้วก็อีกบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเขาจะมีคนมาเตือนนียคุณเมื่อก่อนหน้านี้คุณเจริญไว้ดีนะทำไมตอนนี้มาประมาทอ่ะนะบนรรลุอีกเหมือนกันกับบางท่านแต่ถ้าหากว่าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่มีถาม้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพวกนี้จะบรรลุเร็วเนีย่ยนะเช่นกลุ่มพระพาหิยะเป็นต้นนะคือกลุ่มที่เจริญไวในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาจนช่อมชองอ่ะนะ ถ้าจะว่าไปก็คือคนที่สอบไม่ติดในรุ่นก่อนๆ น, นั่นแหละเราเลยมาสอบเป็นหัวหน้าชั้นในรุ่นหลังๆมาเนี่ยในในผู้าศาสนาองค์นเนี่ยนะอันถ้าหากว่าในในพระศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยถ้าเราเจริญไว้จริงๆเจริญโดยเนี่ยนะอันนี้พูดถึงระดับปริญญาเน้นเฉพาะอาปัญหาณปริญญาเนี่ยนะคือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยอันนี้พูดถึงคนที่มีผหูสูตรเป็นอย่างดีท่านนะ คนที่ยังไม่เป็นปางหูสุดก็ตั้งอัธยาศัยเอาไว้ว่าจะศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจแล้วต้องเจริญสิ่งเหล่านี้ให้ได้ตั้งเอาไว้เลยสําหรับถ้ายังศึกษาอะไรไม่ดีนักเนี่ยนะจะต้องศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องตัดใจที่จะทําให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจดับเหตุเกิดเป็นยังไงความดับเป็นยังไงอาสาทะเป็นยังไงแล้วจะได้ตามเห็นโทษตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นต้นตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนี้นะก็ สักวันก็จะเป็นของเราเอางเหมือนกันในเนติปกรณ์กล่าวถึงโพธิปัจขยธรรมไว้สี่สิบาอย่างเนี่ยนะโพธิปักขยธรรมเนี่ยนะเราเคยได้ยินปกติก็37ใช่ไหมก็ที่เพิ่มเป็น40กว่าก็คือเอาอนุปัสนามาจับนั่นเองเอ่อเอาอนิจจสัญญาเป็นต้นทั้งการเจริญอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเนี่ยนะ ปหานาสัญญาวิราคะสัญญาสัญญาเหล่านี้หรือปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นโพธิปัจขิยธรรมด้วยเป็นธรรมะที่ช่วยให้ตรัสรู้ด้วยเป็นเป็นเครื่องบ่มภูธิญาณเครื่องบ่มอริยมรรคเครื่องบ่มอริยมรรคให้ตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละพันการตามเห็นโดยเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะนี่แหละคือคือคือพระพุทธศาสนาบ่างันแต่คือไตรสิกขาในาศาสนานี้นั่นเอง ส่วนที่อย่างอื่นก็เอาอาสาท่มาขยายเพิ่มนะนะเช่นหรือเอาสมุทัยังฆ่ามาขยายคือกลุ่มกิเลสกลุ่มกรรมทั้งหมดนั่นแหละคือเอาสมุทัยังฆ่ามาแสดงอัถังคมะก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มมกักกลุ่มนิโรธสัตว์ที่ดับสิ่งเหล่านี้นะนั่นแหละคืออัถังคมะอสาท่าก็พูดถึงกิเลสทั้งหลายแหลโลภะตัณหาในนะโลภะเป็นเหตุให้ผิดศีลอา่าวบัญญัติวินัยขึ้น โลภาพไปนเนให้เพลิดเพลินเอาแสดงพระธรรมเพื่อข่มเป็นต้นอันก็เป็นคําสอนที่เพื่อเพื่อสิ่งเราเนี่ยเพื่อให้รู้เหตุเกิดความดับอาสาท่าอาธีนวันิสารณะของภาษายตนาหกนะแต่ถ้ารู้ตาดีแล้วมันจะกว้างไปอีกเพราะตาเนี่ยถ้ารู้เรื่องตาดีก็สีก็ไม่ยากใช่ไหมถ้ารู้ตาดีสีไม่ยากรู้ครอบรู้ในเรื่องหูเสียงไม่ยากรอบรู้จมูกกลิ่นไม่ยาก รอบรู้เรื่องลิ้นรสไม่ยากรอบรู้กายโพธิภะไม่ยากรอบรู้ใจธรรมมรรม่ยากถ้ารอบรู้ตากับสีดีจกขูวิญญาณไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะจะไม่ยากเลยถ้ารอบรู้หูดีเสียงดีโสตวิญญาณไม่ยากถ้ารอบรู้จมูกดีกลิ่นดีคานวิญญาณไม่ได้ยากเล่นอะไรรอบรู้ลิ้นดีรสดีชิวหาวิญญาณก็ไม่ยากรอบรู้กายดีโพธภาพดีกายะวิญญาณก็ไม่ยาก รอบรู้มโนคือพวังดีรอบรู้ธรรมรมดีมโนวิญญาณก็ไม่ยากถ้ารู้จักครูวิญญาณอ่ะนะสามอย่างดีภัสสะทวานตาไม่ยากภัสสะอันนี้จะเป็นปัจจัยแก่เวทนายังไงต่อไปในอนาคตก็ไม่ใช่ยากอะไรอน่นะทาสำคัญก็คืออยู่ที่การตั้งอัธยาศัยน้อมไปไปพิจารณาอันในใ น, ในกลุ่มของเราที่มาศึกษาร่วมกันอยู่นี้ข้อไม่ใช่ข้อมูลไม่พอแต่ว่ายโยนิโสมนัิการไม่พ อ, อ น, น่ะ เพราะว่ายังดูสังเกตเท่าที่ฟังอยู่เลยไม่มีสูตรไหนที่ยังไม่ได้ฟังเท่าๆ ท, ที่ดูๆนะออกมาดูๆพระสูตรไหนมาฟังมาทั้งนั้นเลยนะแต่ทำไมว่าไมต้องจำไม่ได้ยันนะถ้าหากว่าน้อมจะไปเจริญน้อมจะไปอะไรมากนะก็จะได้ประโยชน์มากแต่อันนี้ก็คือ ถ้าเอายุคสมัยเอาส ป, ปายะมาเป็นต้นมาจากักมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นโทษของยุคสมัยแต่ในแง่ของสูตรต่านี้ก็ผมไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะก็นับว่าเป็นพหูสูตรกันกันมากละแต่ว่าด้วยปัจจัยอลไรล่ะอย่างอุตอเสนาสนะส ป, ปายะปุ ค, คลส ป, ปายะเป็นต้นเนี่ยนะพะหูกิจจาทั้งหลายก็เป็นเครื่องกลางกั้นไปเยอะแหละมาเงี้ยก็วตตะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ไง ไอ้ควรจะได้มันก็ไม่ได้ไอ้ไม่ควรได้มันก็ได้อันนี้แหละเป็นอันนี้สงของเป็นงานของอะไรเนะี่ยอวิชาเนี่ยนะงานเขาทําเนี่ยเขาเขามีงานทําแบบแค่เนี้ยก็บอกว่าแกไม่ต้องได้สิ่งที่ควรได้หรอกเอาไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้นะเขาจะทําให้ได้เท่านี้จริงๆนะกิจของอวิชาเนี่ยงานเขามีอยู่เท่านั้นแหละ ถ้าคิดเรื่องสีน้อยเนี่ยปกตินะเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเราจะเรียนที่เรียกว่าโพชงโพชงเนี่ยคือโดยเฉพาะปีติสามโพชงอ่ะปีติสามโพชงแปลว่าอิ่มใจนะความเออบอิ่มทางใจเนี่ยถามว่าโพชงเหล่านี้จะมาจากไหนก็มาจากเจริญพุทธานุสติอย่างหนึ่งแล้วก็มาดูไว้ จะคิดถึงพระพุทธเจ้ายังไงให้อิ่มใจเนี่ยนะแล้วก็ก็ต้องตั้งอัธยาศัยนะถ้าใครจะเจริญปีติสัมโภชงเนะี่ยต้องมันตั้งกตั้งออกับวันนี้เลยว่าเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้ายังไงให้อิ่มใจเราจะคิดถึงคําสอนยังไงให้อิ่มใจคิดถึงพระสงฆ์ยังไงให้อิ่มใจอันนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสารณะของเราเนี่ยนะ นี่ต่อไปอีกศีลานุสติเอ๊นึกถึงศีลของตัวเองยังไงให้มันอิ่มใจอ่ะนะถ้าเราไม่น้อมจิตเจริญเรื่องศีลไว้ตั้งแต่วันนี้นะสมมติอีกสองปีข้างหน้าจะเจริญปีติสามโบชงมันจะไปเกิดได้ยังไงคำนวนว่าถ้าเป็นไปอยู่ที่ที่ไหนที่มันไม่มีผลไม้ชนิดนั้นแล้วไม่มีต้นไม้ชนิดนั้นนะถ้าไม่น้อมปลูกไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะตอนนั้นม่นได้กินแน่ เพราีลานุสติเนี่ยก็ต้องต้องเจริญศีลไว้ตั้งแต่ตอนนี้ให้ดีเนยนะตอนนั้นจะจะเจริญปีติสัมโพชทธชงโดยมีศีลเป็นอารมณ์ได้เนี่ยนะหรือถ้าถ้าเราจะเจริญจาคานุสติต้องฝึกให้ทานตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเพื่ออะไรเพื่อตอนนั้นจะได้คิดถึงทานนกุศลได้ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันเนี่ยจะเจริญจาคานุสตินะนึกขาให้อะไรไว้บ้างนะนึกไม่ออกเลยอย่างงี้ก็เจริญไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะ หรือถ้าจะเจริญเทวตานุสติก็ต้องเจริญศรัทธาสินสุตาจาระฆปัญญาเอาไว้ให้มากกุศลทั้งหลายเหล่านี้ให้มากจะได้ไปเทียบว่าเออเทวดาทั้งหลายนะเขามีคุณธรรมเหล่านี้เราก็มีอ่ะเพราะเรามีุณเจริญคุณธรรมอ่ะคุณธรรมเหล่านี้อยู่แล้วก็ก้กมไปที่จะเจริญได้นั่นเองเพราะพวกนี้เป็นอาหารของปีติสัมโพชงทั้งนั้นถ้าไม่ฝึกเจริญไว้ก็ยากที่จะเกิดปีติสัมโพชง ถ้าไม่มีปีติสัมโพธิ์ชงเลยนะชีวิตเนี่ยห่อเหี่ยวแห้งแล้งตลอดไอ้ห่อเหี่ยวแห้งแล้งเนี่ยสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปีติคืออะไรโทสะโทสะก็คือมากไปได้วยโทสะนะชีวิตของคนห่อเหี่ยวแห้งแล้งอ่ะคือคนที่มากไปด้วยโทสะนี่นะแสดงว่าไม่สำนวนภาษานี่ก็ไม่สะเบยเลยอนะ่ะอันเนี้ย ยิ้มก็ไม่ออกต้องนั่งงุดหงิดนั่งไม่นี่ยคือโทสะทั้งนั้นแหละนั่นแเพราะว่าปกตินะถ้ามีอะไรสมหวังมากๆคนจะยิ้มแย้ยยิามใใช่ไหมไม่สมหวังด้วยแห้งแล้งด้วยนั่นแหละก็กลุ่มโทสะทั้งนั้นแหละแต่ว่าอาการมันค่อนข้างอย่างอ่อนนะนะคงจะมีคงจะมีความจำเป็นมากนะเรื่องเรื่องที่จะปฏิบัติทำแล้วให้เกิดปิติหรือว่าเกิดกลาโมด นี่นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งนะให้วันเราเนี่ยเดินทางมาถูกหรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลให้กับการการการศึกษาการปฏิบัติ เ, เป็นรางวัลอย่างหนึ่งเลยถ้าผู้ใดได้รับแล้วนี่ก็จะมีกําลังใจอีกเยอะเลยเป็นเป็นผลของการปฏิบัติอยู่แล้วถ้าเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเป็นคําสอนที่ถูกต้องโดยปกติเนี่ยฟังนี่ก็ก็ระงับนิวรณ์ได้ไป ถ้าไปเจริญนะสมถะเนี่ยสมถะถ้าเจริญถูกต้องจะต้องมีปีติเพราะอะไรปฐมฌานก็ประกอบไปด้วยปีติสงัดจากการมสงัดจากาจา ก, าากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอันนี้ถ้าจะเจริญสมถะจริงอ่ะผลต้องได้คือปีติะนะความความเอิบอิ่มเนี่ยต้องได้ละถ้าเจริญวิปัสนาจริง ในคาถาธรรมบดก็แสดงนะนะผู้ที่พิจารณาเห็นความเกิดความดับของขันท่าก็จะทําให้เกิดปีติอันนั้นเป็นอมตะของผู้รู้แจ้งนะนะอันปีติก็เป็นความสุขนะผู้ที่เจริญวิปัสนาจริงๆอ่ะไม่ใช่แห้งแล้งอะไรเลยไม่ใช่ว่าโทสะงดงิดไม่ใช่แต่กลับเป็นผู้ที่มากไปด้วยปีติและปรามโมทจนบางคนคิดว่าปีติอันนั้นเป็นมรรคผลนะที่เรียกว่าวิปัสณูปกิเลสเนี่ยนะพอเจริญมากปีติมันเกิดมากอ่ะ ก็เออบรรลุล้วมั้งเนี่ยพราะปีตอย่างนี้มันไม่เคยเกิดเนี่ยมันเกิดบ่อยแล้วเกินสายจะบรรลุแล้วท่ันที่ปั ส, สนาถ้าเจริญดีก็ไม่ใช่ว่าแห้งแล้งอะไรที่แห้งแล้งเนี่ยไม่ใช่สมถะที่ปั ส, สนานะที่ที่แห้งแล้งหอเหี่ยวเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นอนะ่ะเป็นผลของอกุศลในอดีตทั้งหลายเป็นปัจจัยทั้งเป็นผลของมิจฉาปณิที่ที่ตั้งไว้ในอดีตท่านการศึกษาคําสอนสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ อย่าเบื่อหน่ายในการริเริ่มเนี่ยนะในเดี๋ยววิริยะสามพูดชงจะพูดใช่ไหมว่าการริเริ่มเนี่ยนะอารัปธาธนิกรรมาธาตุปรกรรมธาตุเนี่ยนะธาตุแห่งการริเริ่มาธาตุแห่งการออกาธาตุแห่งความภาพเพียนพยายามแห่งความบากบัน่นนะนะังั้นการริเริ่มนี่สําคัญมากอารัปธาธเนี่ยนะธาตุแห่งการริเริ่มจะต้องมีบ่อยๆมีมากเนี่ยนะ ตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกเนี่ยนะแล้วก็ตั้งอัทยาศัยแล้วก็ให้เห็นคุณไว้นะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่เจริญเนี่ยนะมีโทษยังไงเนี่ยถ้ากุศลธรรมเหล่านี้บริบูรณ์จะได้รับคุณานิสงยังไองไอันนี้ก็ปัญญาเนี่ยนะส่วนตรงนี้สำคัญมากจริงๆการรู้โทษของการไม่เจริญกุศลการรู้คุณของการเจริญกุศล่ะ จริงๆก็คือกรรมสกตาเบื้องล่างๆนี่แหละไม่ได้ไปชั้นสูงอะไรที่ไหนหรอกนะการรู้คุณรู้โทษนะอันนี้เป็นสติสัมปชัญญะธรรมดาชั้นพื้นๆด้วยเพราะสติสัมปชัญญะเนี่ยคือการรู้คติแห่งธรรมทั้งหลาย น, นะการรู้คตินะใช่ไหมเช่นว่าถ้าสิ่งนี้เกิดจะมีผลยังไงต่อไปเช่นว่าถ้ากุศลเกิดจะมีผลยังไงต่อไปถ้ากุศลเกิดจะมีผลยังไงต่อไปถ้า ธรรมะฝ่ายดำเนี่ยเกิดขึ้นมีผลยังไงธรรมะฝ่ายเค้าเนี่ยเกิดขึ้นจะมีผลยังไงอันนี้เป็นสติสัมปชัญญะธรรมดาแต่ถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วน้อมไปเนี่ยนะน้อมเพื่อจะให้กุศลเจริญขึ้นนะก็นะกุศลทั้งหลายเนี่ยที่เราจะฝึกน้อมนะอย่างผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยลําพังวิปัสสนาบรรลุไม่ได้อยู่แล้วถามว่าตัววิปัสสนาเหมือนอะไรถ้าเป็นขวานถ้าเป็นขวานฟ้าเนี่ย เปรียบไปแล้ววิปัสนาเท่ากับคมขวานเท่านั้นแหละคมขวานอย่างเดียวพอไหมที่จะฟาดฟันอะไรไม่ได้มันต้องมีด้ามด้วยมันต้องมีตัวสันขวานด้วยใช่ไหมมันจะมีแต่คมไม่ได้จับตรงไหนอ่ะต้องมีด้ามมีสันมีหินลับด้วยมีองค์ประกอบตั้งเยอะนะถ้าถ้าสมมุติถ้าจะเป็นผู้ทาถางถางป่าเนี่ยจะต้องถ้าจะใช้ขวานถางเนี่ยนะก็ต้องมีหินมีด้ามมีองค์ประกอบอ่างนั้นเถอะจึงจะไปถางป่าได้ ไม่ใช่ว่าวของมานี่เคยแ ล, ล้วพ่อมีไร่อยู่ที่เ้าก็เราก็ไปถางป่าไปก็เอาขวานไปนะถ้าไม่ได้เอาพวกหินรับไปเนี่ยฟันไปไม่กี่ทีบินหมดเลยนะทีนี้ถ้าเราไม่ฉลาดตัดต้นไม้ด้วยเนี่ยนะฟันไปไม่กี่ทีขวานบินหมดอ่ะเพราะนั้นก็ต้องมาลั่งรับอีกทีหนึ่ง น, นะจะได้ฟันต่อไปทั้นทั้นองค์ประกอบของผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นตั้งมากเนี่ยนะ คือพั้นโพชงก็มีองค์ของเขาใช่ไหมอินทรีย์ก็ยังมีตั้งองค์มีห้าเนี่ยนะพระก็มีห้าพวกนี้มีองค์ที่มีมีส่วนประกอบที่จะให้เจริญขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเหล่านั้นเนี่ยนะพันตัววิปัสนาเนี่ยถ้าเจริญไประดับหนึ่งก็ต้องหันมาดูกุศลธรรมล่างๆเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงบริหารจิตให้เป็นไปแต่ในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นตัวที่สําคัญที่สุดคือการตั้ง ต, งตนเอาไว้โดยชอบเนี่ยนะ เพราะถ้าบุคคลตั้งตนเอาไว้โดยชอบเนี่ยนะกุศลที่ยังไม่เกิดก็ก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพายุบูนมากขึ้นแต่ถ้าตั้งจิตเอาไว้ชอบผิดอะ่ะตั้งตนก็คือตั้งจิตนี่แหละเพราไม่ได้มีอัตราอะไรที่ไหนหรอกก็คือหมายถึงตั้งตั้งจิตให้น้อมไปที่จะคิดในสิ่งนั้นบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยๆถ้าใครน้อมจิตตั้งจิตแบบนั้นบ่อยก็ทําได้นนะแต่ถ้าไม่น้อมจิตไม่ไม่ไม ก็สุดแท้แต่วาสนาก็ถ้าอย่างนี้ก็ก็วาสนามันไม่ค่อยดีนะที่คือถ้าทำไม่ดีมากๆมันก็ไม่มีปัญหาหรอกก็ยินดีด้วยนะที่จะมีความสุขต่อไปนะถ้าว่าถ้าถ้าทำเหตุไว้ดีแล้วนะแต่ถ้าทำเหตุไว้ไม่ดีบอกแหมสุดแท้แต่วาสนาก็ โ, โหหน้าเห็นใจเป็นอย่างมากนะเจริญการุณาได้เลยว่าเขามีทุกเป็นเป็นเบื้องหน้าแล้ว น, นี่ไม่ค่อยเข้าเรื่องที่ว่าเลย เข้า อ, อ, อ้อมอมเมากันแล้วกันคือดู ด, ดแลทำว่าจะเข้ากันได้พอมาถึงเรื่องสื่อสารภาษาที่บุตบอกเนี่ยเห็นเขาที่ตั้งบ่อยๆเขาไปตั้งสติบ่อยๆเขาเรงบ<ว>่อยๆวิปัสนาเนี่ยถ้าเจริญวิปัสนาเนี่ย ก, ก็ต้องเอาอย่างเช่นการไม่เที่ยงอนะสมมติ อ, อย่างสูตรที่เราฟังกันมาสักสามสี่ห้าสิบสูตรมาแล้วเนี่ยก็เพื่อเพื่อจะเห็นว่าขันไม่เที่ยง ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงซึ่งจะถึงสูตรอีกต่อไปข้างหน้าเอกก็ <c oughs> ก, ก็แบบฟอร์มเหมือนกันหมดเพราะเพราะทุกขสัจย์ยังไงก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสุภะมีอยู่เท่านี้แหละคาสอนถ้าจะจะว่าให้สรุปนะถ้าว่าให้ย่อก็คือเนี่ยให้เห็นทุกขสัจเพื่อละวิปลาสงานเกามีเท่านั้นจริงๆไอตัวที่ละวิปลาสนั่นแหละเรียกละสมุทัยส่วนนิโรธก็อยู่ที่ผลว่าละวิะละวิปลาสในทุกอันนั้นได้เท่าไหร่ อย่างสมมุติว่าอย่างเอาอายตนะนะอ า, อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพวกนี้ก็มาจากปัจจัยเป็นต้นตัวความจริงของอ า, อายตนะทั้งหลายก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาและก็อสุภะอันนี้คือความจริงของของเขาเป็นอย่างนั้นนะอันนี้จัง คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาและอสุภะทีนี้แต่ปกติสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คิดอย่างนั้นไปคิดว่าเที่ยงอะไรอีกสุขอัตาแล้วก็งามนี่คือสมุทัยสัตว์ อย่างนิโรธสัตว์ก็คือความสงบระ ง, งับสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลน่ะนะถ้าถ้าเป็นนี้ก็คือพลิกอีกข้างหนึ่งอนะ่ะที่ที่มันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ ก, ก็มีชื่อของเขาว่าสมมติว่าพวกนี้ทั้งหมดเป็นนิมิตทั้งสองอย่างนี้นะเป็นนิมิตนิโรธสัตว์คืออนิมิตซึ่งมันตรงกันข้ามอยู่แล้วแต่ตรงกันข้ามนี้ไม่ใช่ว่าไปคิดที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่ใช่ นั้นข้อปฏิบัติก็คือการเห็นความจริงยังไงอ่ะคือเห็นความจริงที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วตัวนี้มันจะมันจะลดลงลดในปริมาณที่เท่าไหร่เช่นไอความวิปลาสว่าเที่ยงว่าสุขว่าอัตตาว่างามลดปริมาณลงเท่าไหร่นะนิโรธก็จะแจ้งไปเท่านั้นข้อปฏิบัติที่ไปทําอย่างนั้นแหละเรียกว่าเจริญมัตตทีนี้ไอการละสมมติว่าละความสําคัญว่าเที่ยงแรกๆนะ คุยังไงคุณก็อย่าอย่าไปทําชั่วกันแล้วกันสมมติว่าถึงจะเห็นว่างามยังไงคุณก็อย่าไปล่วงอาบัตนะนะสมมติว่าอ้าวเห็นสมมุติว่าเห็นผู้หญิงว่างามยังไงก็อย่าอย่าไปจับต้องนะจับต้องไป็ะบัตอย่างเงี้ยอ่านะหรือว่าอย่าไปพูดอะไรที่มันผิดศีลก่อนนะถึงเห็นว่างามก็เอางามไว้ก่อนแหะแต่ว่าเอาเอาศีลมากั้นก่อนนะถ้าหากว่าจะเห็นว่าเป็นสุขย่างไงเข้าก็ยังไงก็อย่าล่วงละเมิดศีลก่อนนะเพราะในอาการที่ รักษาศีลก็คือไม่ให้วิปลาสมันกำเริบเสบสารเสียหายนั่นเองทีนี้ถ้ากุศลเราเพราะอะไรเพราะเบื้องต้นถ้าถ้าไปวิปลาสแล้วละเมิดขนาดนั้นจะเดือดร้อนเนี่ยนะก็จะทำให้มันเดือดร้อนก่อนนะเสร็จแล้วต่อไปค่อยๆมาศึกษาความจริงว่าแต่และอย่างมันเป็นยังไงเนี่ยนะยังไงก็บวชทั้งน้ำตาก็บวชไปก่อนเอะทนๆไปก่อนเ น, น, น, น, น, นี่นยนะจะึกไ ป, ไกไปไกตลอ้ใช้ได้ ขณะเดียวกันก็หาส ป, ปายะไปหาบุคคลส ป, ปายะเ ส, ยนสนาสนะสปายะหาครูอาจารย์ที่ดีๆก็แนะนำกันต่อไปก็ว่ากันไปทีทีห้มันบวชอยู่ไว้ก่อนเนี่ยนะนี่ก็เหมือนการท่าเนี่ยกูสศลศีลนั่นแหละจึงจะมาห้ามในเบื้องแรกๆ ก, ก่อนที่เหลือก็มาอบรมสมถะนั่นคือถ้าสัตว์ทั้งหลายสำคัญว่าเที่ยงเสร็จแล้วสิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปนะอะไรเกิดปกตินะ โทสะจะเกิดอันนี้ถือเป็นปกติของสัตว์สําคัญว่าสิ่งนั้นมันสุกตอนหลังก็เสียใจอีกถ้าไม่สุกจริงเช่นนั้นย่งเออคนนี้เขาเป็นคนดีมากะนะตอนหลังมารู้ว่ามันไม่ดีโทสะอีกใช่ไหมตอนนั้นแบบนี่อย่างอย่างที่เราเข้าไปคิดนะแต่ว่ารวมๆคือคิดว่าเที่ยงว่าสุกว่างามาอัตตาเนี่ยจะแง่ไหนก็ช่างเถแต่แล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด มันจะนำมาซึ่งความเสียใจยหมดเลยอันนั้นแหละคือผลของวิปลาสทั้งนั้น่ลนะคือผลของการเห็นว่าอย่างน้อยนะเออทุกอย่างก็ออปกติดีเหมือนไม่มีอะไรสมมติว่าเรามีบ้านใช่ไหมเรามองที่ฝาผนังบ้านของเรานะีมันไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเอามือไปเคาะดูแล้วมันโพร่งหมดเลยนะไอ้ตอนที่เราเห็นธรรมดานั้นอ่ะด้วยเห็นด้วยนิ จ, จวิปลาสคิดว่ามันเหมือนเดิมไปทุกอย่าง แต่ข้อออกไปแล้วโอ้โหปลวกซัดข้างในเกือบหมดแล้วเนี่ยนะใจนี่ห่อเลยนะอันนี้แหละโทสะหรือไปขึน้นมาโอ้โหผลไม้ปีนี้เนี่ยจะให้ผลนะดีแน่นะตื่นเช้าไปดูอีกทีเอาหมดต้นไปแล้วอย่างงี้ยนะอันนี้อะไรจะเกิดขึ้นปกติก็จะโทสะเพราะนั้นโทสะทั้งหลายเป็นผลพวงของวิปลาสเพราความวิปลาสพวกนี้เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะผลของสมุทัยก็คือทุกข์อีกแล้วอันนี้ทุกข์ในปัจจุบันก่อนคือโทสะ นนะผลของวิปัาสทุกในปัจจุบันทุกในสัมปรายภพเกิดเพื่อจะได้มีตาจะได้บริหารทุกอีกต่อไปเนี่ยนะนั้นในคําสอนถึงจะแสดงกว้างขวางมากมายขนาดไหนจุดประสงค์ตรงก็คือให้เห็นทุกสัตว์ตามเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นในส่วนตรงนี้มากเท่าไหร่ไอ้วิปัสันจะละไปโดยโดยธรรมชาติของเขาเองเนี่ยนะ โดยโดยธรรมชาติสุดแท้แต่ว่ารู้เห็นตามเป็นจริงในทุกข์สัตว์เท่าไหร่ทีนี้การแทงตลอดนิโรธก็อยู่ที่การเนี่ยเพราะฉะนั้นที่จึงเมื่อวานเนี่ยโยมก็ถามว่าทําไมนายพระไตรปิฎกเมื่อมีบุคคลถามว่าพระเนี่ยบวชทําไมก็ตอบว่าบวชเพื่อกําหนดรู้ทุกข์เหมือนกันทําไมไม่บอกว่าบวชเพื่อ น, นิพพานเลยล่ะเขาถามมาอย่างนี้นะทำไมไปบอกว่าบวชเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ จริงๆว่าผู้ที่กําหนดรู้ทุกจริงๆเนี่ยคือคนจะเห็นนิพพานไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอานิพพานอยู่ที่ไหนเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในตอนแรกจึงมากําหนดรู้ทุกให้ดีก่อนถ้ากําหนดรู้เนี่ยคำว่ากําหนดรู้หรือรอบรู้เนี่ยนะก็จะละคือรู้รู้ตามจริงของมันอ่ะมันจริงแค่ไหนขอบเขตมันแค่ไหนแต่ทีนี้ผู้ที่รู้จริงที่สุดต้องระดับไหนอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมรู้จริงที่สุดเมื่อมามาพระพุทธเจ้ารู้จริงแค่ไหน นะธรรมดาก็อย่างสูตรเมื่อกี้ก็บอกว่ารู้โดยอศาศาเหตุเกิดความดับอศาศัยถ้าอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านี้นี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้ารู้ต่อ ว, ว่าจากุจา ก, จากุสมุทัยจากุนิโรธจากุนิโรธค้ า, คา ม, มินีปฏิปทาข้อมูลอันนี้ถือว่าต้องมีเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะที่เรียกว่าพุทธามนุสติตัวนี้นะต้องมีเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแล้วเรามาทําตามเพื่อที่จะเห็นตามเนี่ยนะขอเป็นอนุพุทธะนั้นเออ พคําสอนเนี่ยในรายละเอียดก็จะมีเท่านั้นแต่ทีนี้ส่วนเครื่องมือในการจัดการทั้งหลายก็คือสติบ้างสมถะบ้างวิปั ส, สนาบ้างทั้งหลายแหละก็เพื่อมาจะเนี่ยเพื่อจะกําหนดรู้ทุกแล้วก็ละสมุทัยเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นเป็นมักละอันนั้นข้อปฏิบัติที่ไปเจริญอย่างนั้นเป็นมักนี่ก็หาโวหารหาถ้อยคํามาให้กลุ่มพวกนัยยะบุคคลฟังอ่ะนะต้องใช้พยัญชนะให้มันวิจิตมากเข้าไว้ ฟังมากเข้าไว้เรียนมากเข้าไว้ท่องมากเข้าไว้พูดมากเข้าไว้อะไรงเงี้ยไหเพราะอะไรเพราะว่าทาไมงั้นมันจะไปเรื่องอื่นหมดเลยก็ประคองหล่อเลี้ยงกลุ่มเราเนี้เยเขาไว้ขอถามหน่ยนะครับพระพุทเจ้าตอนป่วยทํามนิมนต์พามาสวดโพชฌงให้ปังโพชฌงมันดียังไงกันคือโพชงเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ทําให้ตรัสรู้ที่สวดแล้วหายป่วยอ่ะ คือคนที่เขาเจริญโพชฌงแล้วบรรลุมรรคเพราะฉะนั้นวันหลังเมื่อมีใครมาพูดโพชฌงให้ฟังในระหว่างป่วยมันจะหายป่วยเพราะปีติมันจะเกิดมากพอระ ล, ลึกถึงข้อปฏิบัติที่ตัวเองเจริญมาคือเขาเขาเจริญโพชฌงมาจนบรรลุมรรคผลอยู่แล้วแต่ถ้าคนทั่วๆไปไม่เคยเจริญโพชฌงอะไรเลยก็เก็เป็นพระปริตก็สวดก็ได้บุญไปนะแต่ถ้าพูดถึงว่าจะให้หายป่วยแบบแบบแบบพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ทีพระจุนทะเนี่ยแสดงโพชฌงให้พระพุทธเจ้าฟังน่ยพระ อ, องค์ก็หายป่วยคือที่หายป่วยเนี่ยบอกว่าเขาระลึกถึงข้อปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาพระโพชฌงคือข้อปฏิบัติให้เกิดอริยมรรคอันนั้บอกว่าอาการที่จะบรรลุอริยมรรคเนี่ยต้องอาศัยสตินะอาศัยธรรมวิจยะนะอาศัยวิริยะอาศัยปีติอาศัยปัสัที่อาศัยสุขอาัยสมาธิเนี่ยนะอาศัยอุเบกขาซึ่ง สติก็เป็นองค์ธรรมที่จะทำให้ตรัสรู้ธรรมาวิจยะก็เป็นองค์ที่จะทำให้ตรัสรู้วิริยะก็เป็นองค์ที่จะทำให้ตรัสรู้เนี่ยนะไอ้ผู้ที่เจริญอย่างนั้นจนตรัสรู้อยู่แล้วเนี่ยเขาเ ล, ลึกดออกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นก็บอกว่าเมื่อจิตอันนั้นผ่องใสก็จะทำให้เลือดผ่องใสเมื่อเลือดผ่องใสก็ไปฟอกร่างกายก็ทำให้หายต่วยนะท่านอธิบายไว้อย่างนั้นเออไหนเนะี่ยกกระถุกน คือที่ที่หายป่วยเนี่ยคือคนฟังเนี่ยใจเข้าผ่องใสามากเมื่อใจผ่องใสเนี่ยนะมันก็ไปฟอกเลือดทำจิตตะชะรูปดีก็ฟอกเลือด ก, ก็อันนั้นแหละก็เลือกก็ทําให้ผ่องใสก็ทําให้หายไขย้มาสวดให้คารวะฟังนี่หายป่วยไหครับก็สวดจะเป็นจะฟอกพระก็คือคนที่เขาเจริญพุทธชงเป็นอ่ะนะคือเหมือนกับเอางี้นะสมมติอาแบบพุ ก, กาเนี่ยสมมติสมสมตินะ ชอบอภิธรรมเป็นชีวิตจิตใจอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันหนึ่งเกิดแหมไม่ค่อยสบายเลยนะมีใครมาพูดอภิธรรมปุ๊บยิ้มเลยะสบายใจขึ้นมาทันทีเลยคือลักษณะนี้ะนะค mm ือ hmm. ก็ พ, อพ่อโพชงก็คือมัคขศนั่นแหละเท่ากับไปพูดมัคข์ให้คนที่เขาเคยเจริญมักฟังแล้วนั่นเองอะะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเจริญวิปัสสนาไม่เคยเจริญโพชงมาเลยนะแล้วไปพูดโพดชงให้ฟังก็บ อ, ก mm hmm. องก็ ปอไปพูดถึงสิ่งมันเหมือนอะไรเหมือนกับบอกว่าแหมเนี่ยนะพอป่วยขึ้นอ่ะนะโรงพยาบาลนะเ้ามียายาชื่อนี้ลดไข้อันนั้นยาชื่อนั้นอ่ะนะพูดให้คนไม่มีสตังค์แล้วก็ไม่รู้จักยาฟังด้วยเนี่ยโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นนะมันไม่หายอยู่แล้วนะดีไม่ดีจะป่วยหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> แต่ว่าถามว่าถ้าป่วยแล้วได้ยินสวดอย่างนี้ก็ดีกว่าไม่ได้ยินนั่นะ